เมื่อไม่มีประสบการณ์ข้างค้างครองใจไม่มีกิเลสครอบงำเป็นเจ้าหัวใจจิตเป็นอิสระแล้วความรู้สึกนึกคิดลักษณะการดำเนินชีวิตของบุคคลจะเป็นอย่างไรความจริงลักษณะแปลกแปลกประหลาดประหลาต่างๆมักพบในท่านที่ได้เจโตวิมุตต์บางระดับและบางท่านส่วนพระอรหันต์เป็นผู้ได้ปัญญาวิมุตต์แล้วย่อมไม่มีแม้แต่ความยึดมั่นว่า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 และแม้แต่ตนเองก็ยังลงผิดไปว่าได้บรรลุดังเรื่องในคำพีว่าพระเทระรูปหนึ่งได้สมาบัติแคล่วคล่องกิเลสถูกคม่มส ง, งบอยู่ด้วยกาลังสมาบัตินั้นจึงเข้าใจว่าตนเป็นพระอระหันต์อยู่มาจนชรานับแต่ได้สมาบัติถึง60ปีวันหนึ่งเห็นรูปช้างใหญ่มีอาการดุร้ายกำลังร้องแผดเสียง